วันหนึ่งคืนหนึ่งวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องความเจ็บไข้ความเจ็บไข้ของคนเราเนี่ยเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนได้ยิ่งเจ็บไข้ระยะสุดท้ายใกล้ตายที่เป็นโรคร้ายแรงต่างๆที่จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน มันสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนได้อย่างสิ้นเชิงเลยอย่างเช่นเรื่องของจิตใจเนี่ยจิตใจเนี่ยก็เปลี่ยนไปมากจิตใจที่ต้องการในสิ่งที่อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นคิดจะข่อยคว้าทะเยอทะยานให้ได้มาเพื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้เนีมันลบเลือนไปหมดเลยมันแทบจะไม่เกิดขึ้นเลย เพราะว่ามันจะไม่รู้ว่าจะได้ไปทําไมไม่มรู้ว่าจะเอาไปทําไมเราจะดิ้นรนขนขวายไปเพื่ออะไรกันเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องจากโลกนี้ไปเวลามาเนี่มามือเปล่าแต่เวลาไปนี่ไม่ไปมือเปล่านะคือไม่มีอะไรไปเลยสักอย่างเดียวแม้แต่มือเปล่ามันก็ไม่มีไป เพราะฉะนั้นไม่รู้จะประขนควายจะเอาอะไรเพื่อให้ได้อะไรชีวิตมันจะเริ่มปล่อยวางไปเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องไอ้ความอยากได้ใครดีแล้วก็เรื่องของอารมณ์ต่างๆความโกรธความอึดอัดการเคลืองอะไรมันก็มีมนะีนะมีแต่ก็เรื่องการให้อาภายัยเมตตาคนที่โกรธแค้น ทำให้เราโกรธแกนัน้นก็ทําให้ใจเราเนี่ยรู้สึกให้อาภัยก็ได้หมดไม่รู้จะโกรธกันไปทําไมว่าเรามีชีวิตยอยู่ได้ไม่นานเราก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วจะโกรธไปทําไมแล้วก็มันจะลดล่เรียงความเห็นแก่ตัวลงไปเยอะมันจะมีชีวิตยอยู่ด้กันปล่อยปล่อ ย, อยวางๆอย่างนี้แหละ มันมีแต่ ว, ว่าใจเนี่ยใจของเราเนี่ยโดยอัตโนมัติเนี่ยมันจะเตรียมตัวเตรียมตัวเพื่อจะต้อนรับความตายเนี่ยใจมันจะมุ่งไปทางนี้มากกว่าถ้าคนไม่ได้ฝึกกรรมาฐานไม่มีพื้นฐานด้านจิตใจที่ได้ฝึกจิตฝึกใจมาก่อนแล้วเนี่ยก็จะมีแต่ความมิดตกกังวลแต่ผู้ที่ฝึกจิตฝึกใจเนี่ยโดยฝึก การเจริญสติการทำกรรมฐานเอาไว้มันจะไปในทางที่จะปล่อยปล่อ ย, อยวางวาซะมากกว่านะมันยิ่งง่ายยิ่งปล่อยใจมันยิ่งปล่อยเขามันเองนะไม่ต้องไปคิดจะต้องปล่อยมันปล่อยเองเพราะมันรู้ว่าอะไรคืออะไรแล้วอันนี้เรื่องของจิตใจที่มันฝึกที่จะวางมาก่อนเนี่ยสุดท้ายแล้วมัน ก, ก็ค่อยวางในตัวมันเอง ใจมันเริ่มวางเรื่องราวต่างๆไปได้เองทาให้ชีวิตเราเป็นอิสระมันจะหันกลับมาดูตัวเองมากกว่าจะไปนสนใจข้างนอกให้มาดูตัวเองเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อตัวเราเองทั้งนั้นแหละเพราะระยะสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่จะคิดอะไรให้มันเหนื่อยออกเหนื่อยใจเนี่ยชิดมันจึงเบาๆว่างๆวาดใบว่างๆอย่างนั้นแหะ เนี่มันอะไรเป็นอิสระบางคนถึงกับมีความสุขนีรู้สึกว่ามันไม่ต้องมีภาระอะไรมาแบกมีความสุขแต่ไม่ถึงกับปีตินะในปีติเนี่ยมันก็มีความฟุ้งซ่านอยู่เคยสังเกตไหมอย่าติดตามไอ้ความปีติในใจจิตใจเนี่ยต่อสังเกตดูดีๆแต่มันจะมีความฟุ้งซ่านซ่อนอยู่เลยเนี่ย แต่ถึงระยะสุดท้ายแล้วมันไม่ถึงกับปีติแบบนั้นแต่มันสบายๆเนี่ยบางทีมันก็มีความสุขนสุขก็มันเบาไม่ต้องมีอะไรเป็นภาระที่ต้องแบกเอาไว้ดังที่หลวงพ่อาำเขียนพูดเป็นคำสั้นๆไว้ว่าสนุกบ่วย